ตามกันม หมายความว่าผู้สั่งสอนเป็นคำภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นไทยอาจารย์ชั้นที่หนึ่งคือพระธรรมาสอพุทธเจ้าชั้นที่สองคือพระพระเจบชั้นที่สาม พระหันตาขีนาศนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยชั้นที่สี่คือพระนาคามีนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยขั้นที่ห้าคือพระสกาตาคามีนับทั้งเพศชายและเพศหญิงด้วยชั้นที่หคือพระสุดาบันนับทั้งเพศชายและเพศหญิงด้วย เรียกว่าอาจารย์ซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวด้วยพระท่านพระพุทธธรรมและก็เป็นโลพุทธละธรรมด้วยเมื่อเราทั้งหลายได้ทำผิดท่านน้อยกายกรรมสามวิชีกรรมสี่มโนกรรมสา ม, รร ม, สามอันใดอันหนึ่งมาแต่พูก่อนชาติก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือจะเป็นไปในข้างหน้ากดี ขอให้พระอาจารทั้งหลายเหล่านี้จงอมทภชให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อผลชุดท่าพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้บารมีพระพุทธศาสนาขอมาสมณพระพุทธเจ้าทุกทุกหน้านในทางที่ชอบจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมือม่อถืนอ่าง เราสนใจในพระพุทธศาสนาหลวงปูเป็นไข้เป็นไข้วัดมาสองสามวันแล้วเราสนใจพระพุทธศาสนาหนึ่งพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนความหมายของพระพุทธศาสนาคืออะไรบ้างพระพุทธศาสนา อยู่ที่ดวงใจของแต่นะท่านแต่ละคนเพระพุทธศาสนามีความหมายให้ละชั่วทำดีความเชื่อมีอะไรบ้างมีกายยะทุจจิตไวชีทุจจิตมะนูทุจจิตกายยะทุจจิตฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม มโมทุดจริตไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทตรองร้ายผู้อื่น<ะ>เห็นหิดหจากทำ น, นองคลองทำว่าบาบ้าไม่มีว่าคุญไม่มีว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีวิธีทุดจริตสีอย่างพูดแทด้พูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อซึ่งรานี้ ใครเสพเข้ามีแต่เวนแต่ภัยทั้งนั้นไม่ได้มีประโยชน์แก่ตนและท่านผู้อื่นเลยพระพุทธศาสนาหมายอย่างนั้นเหตุนั้นจึงมีบัญญัติความประพฤติต่างๆซึ่งมันไม่เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้ถือว่ามีบาปมบุญมีคุณมีโทษ ผลของความดีความชั่วมม่ได้รอยมาด้วยบางอื่นมาจากเหตุที่ตนสร้างขึ้นตนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาตนก็คือใจใจก็คือตนตามสมมติจะปฏิเสธไม่ได้ o อ ถ้าชาวโลกทั้งหลายไม่แต่กฎหมายไม่ประพฤติถิ่นทำแล้วก้อนไม้จะดูอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้แต่กระเจิงเลยนะกฎหมายจะอยู่ได้ก็พระประพฤติถิ่นทำจึงจะอยู่ได้ถ้าเรามีถิ่นทำแล้วหลือเจี้ยงไปหมดกฎหมายก็สาหรับเป็นเศษกระดาษเขาทิ้ง เท่านั้นพระไม่มีผู้ใดปฏิบัติศีลธรรมตั้งไม่อยู่ท่องได้วความมันจะเพียงไหนข็อตามแต่จิตใจไม่ครัวบาปมันข้อเป็นไปไม่ได้ น, ะนี่นี่คนละอายต่อบาปโอทัปปะความสื่อลุ่งครัวต่อบาปจึงจะปกครองโลกได้ถ้าโลกไม่มีอย่างอายต่อบาปแล้ว ไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎอะไรอะไรตั้งขึ้นก็เป็นโมฆะทั้งนั้นเพรนนั้นการปฏิบัติสิธรรมจะเว้นไม่ได้ผู้ที่ถือมาไม่มีบาปไม่มีบุญเขาไปได้ไหมเขากลับไปไม่ได้เพราะผลของกรรมตามสนองอยู่ ทุกอิยาหมดของกิตของใจทาดีทดําดีก็ได้ดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ได้ชั่วยอยู่ที่ใจดีในทางพุทธศาสน า, ศ า, ศ า, ศาก็แบออกเป็นสองอย่างดีในทางโลกีดีในทางโลกุตระดีในทางโลกีเสื่อมพรินดีในทางโลกุตระไม่เสื่อม ธรรมาอนุทธรรมทั้งหลายมีอยู่ทรงอยู่ทรงอยู่ที่ไหนก็ทรงอยู่ที่ดวงใจของผู้ประพฤตินั่นเองผู้ไม่ปฏิพฤติมีธรรมทรงอยู่ไหมก็มีเหมือนกันเหมือนกันมีธรรมอกุศลธรรมทรงอยูท่ที่หัวใจ้าพระธรรมทรงอยู่ที่หัวใจบาะธรรมคือบาป อ๋อถ้าชาวโลกมีศีลาบริบูญแล้วสงครามก็ไม่มีในไตโลกธาตุเนี่ยไม่จำเป็นจะมีเรือนจำหรือคุกหรือโซ่หรือตรวนไม่จำเป็นจะมีกุญแจ ไม่จําเป็นจะมีเวรมียามกฎทำห้าข้อเนี่ยต้องรบกโลกเห็นไปจับแก่ตาเลยวจะปีนก็ไม่ได้จะฝืนก็ไม่ได้โทษอานิสงส์แห่งฟานาธิบาต ทำชีวิตสให้ตกล่วงได้ไปไปตกนรกอยู่หลายแสนปีออกจากนรกมาก็มาเป็นเปรตหลายแสนปีออกจากเปรตมาก็าเป็นสัตว์ทิฏิชานหลายแสนปีออกจากสัตวิฏฐานก็มาเป็นอ๋อเป็นสัตว์ทิฏานหลายแสนปีด้วย ถูกตายโหงด้วยถูกเขาเฉือนคอด้วยถูกตายด้วยเขาฆ่าไม่ได้ตายด้วยโรคชาหรือโรค อ, อื่นๆเมียนๆมื่อเกิดเป็นคนก็ถูกเขาฆ่าตายทุกชาติทุกครับแร้อยชาติติดกันมีนอายุน้อยอีกเสียด้วย ส่ว น, นผู้มีอายุยืนแต่ว่ามีโรคมากเพราะเคยเบียดเบียนสัตว์แต่ไม่ถึงกับทําให้ตายเคี่ยมตีไม่สัตว์ดูสะดวกเบียดเบียนเพียงแค่นั้นคนที่ทําให้ตายเพรา ะ, ะนั่นทั้งขีดแลนะ้วนสัตว์ที่มีคุณหรือสัตว์ที่ไม่มีคุณสัตว์ที่มีคุณก็มีโทษมาก คนเราถ้าสามารถฆ่าไก่ได้ก็จะสามารถฆ่าโคหรือกระมือดได้สามารถฆ่าโคฆ่ากระมือได้ก็สามารถฆ่ามนุษย์ได้ฆ่ามนุษย์ได้ก็สามารถฆ่ามนุษย์ทู่มีคุณได้ฆ่ามนุษย์ทู่มีคุณได้ก็สามารถ ฆาปิดามาันลาและพระภิกษุสามเณรได้อีกเหมือนกันนาทีนาทา น, ทนตายไปไปตกนรกใครเป็นผู้สร้างขึ้นนรกผล ข, ของกรรมเกิดขึ้นเองไม่ได้มีใครไปสร้างผล ข, ของกรรมที่เราเราทำไว้มันสร้างขึ้นเองมันเป็นของทิพขึ้นเอง พยายมตัดมือทัดเท้าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่นั่นตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอยู่นั่นเหมือนเรานอนฝันไม่ได้เกิดในคันในไข่ในฟองไข่หรือในคันเกิดเ้าเรียกว่าเกิดพุดธขึ้นอุปป า, ปาธิกะเกิดพุดขึ้นเือนจนเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนขึ้นเหมือนเรานอนฝัน อยู่ในในรกหลายแสนปีพูดถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้ทุติยิที่นาทานหรือหรือการอยู่อะทินาท า, านพูดจบได้ใช่ไหมฮะ ยังกำกำกำลังถืออาถินาเอออาถินาเ<ม>ขาตัดมือตัดเท้าที่ไปรับของเขาบรรดาลกรรมของเราบรรดาลเองหลายแสนปีในนรกออกจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตหลายแสนปีอีก คำวาปีหมายความว่ายังไงร้อยปีพันปีในเมืองมนุษย์จึงเป็นปีหนึ่งในเมืองนรกนะปีคูณปีเดือนคูณเดือ น, นทีนี้ออกจากนารกแล้วก็มาเกิดเป็นทัตติยฐฐานออกมาเป็นเปรออกจากเปรแล้วก็ามา คณะออกจากกันหลายพันปีหลายแสยนปีแล้วเขามาเป็นสัตว์ติธิษฐานเป็นสัตว์ติธิษฐานก่อนถูกเขานักขโมยลูกไปกินมีลูกอยู่ในรวงในรังไปหาที่ไปหากินมาก็เห็นแต่รวงแต่รังกาวหรืออะไรหรือนอกเข้าเอาไปกินวัดเพราะเขาถูกลักขโมยเพราะเวนสนองเวียนไสนองไป เกิดมาเป็นมนุษย์อี ก, กนี่ก็ถูกตแต่เขานักสกจกขหอจี้พ่นสารพัิมีอะไรก็ไม่มั่นคงท้าวรเวนสนองเวนยนยสนองไปส่วนโทษมูษ้สาตายไปก็ตกนรกเหมือนกันออกจากนารกมาก็เป็นเปรตออกจากเปรตมา ก็เป็นคนปากเหม็นพูดออกแล้วก็เหม็นคลุ้งไปและไม่มีใครเชื่อด้วยจะพูดยิงสักเพียงใดก็ไม่มีใครเชื่อเพราะอานนี้สงแห่งการโกหกพกลมต้มตุนมีอะไรอะไรก็มีแต่คนมาต้มตุนและโกหกพกลมเั้งนั้นส่วนกล้ามีสุนวิทยาจาร์ด ตายตกนรกพญายมเอาม่เล็กแดงเฉือนโยนีเฉือนองฆ่าชาติถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายร่วงละเมิดถ้าเป็นผู้หญิงร่วงละเมิดผัวของตนหรือคนอื่นที่เขาหวงเหงนนผู้ชายก็เหมือนกัน ก็เฉือนโอชาตเฉือนโยนี่ร่องตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่นะหลายแสนปีออกจากนั่นมาก็เป็นเปรตออกจากเปรตมาก็เป็นสติกระสานหลายร้อยชาติอีกเหมือนกันเช่นโคเช่นม้าอย่างนี้ก็ตายด้วยราคะแยกตัวมีตัวผัวกันก็ยียบกันตายก็มี มาเปลี่ยนมนุษย์ทีนีก็ถูกเขาล่วงแล้วเมื่อการเมศวิจชาจารย์ทั้งลูกทั้งเมียทั้งผัวสารพัดเขาต้มสุนส่วนชุราเม น, นี้ตายระะตรพระกตกนรกพญายมเอาน้ำเล็กแดงก่อกปากต้แล้วเกิดตายแล้วเกิดอนู่นั่นจนครบหลายแสนปีน่าจึง ออกมาเป็นเปรตออกจะเปรตก็หลายแสนปีแล้วก็มาเป็นสัตว์ดีหลายแสนปีเป็นสัตว์บ้าบ้างเป็นหมาบ้าบ้างเป็นโคบ้าบ้างเป็นกระมือบ้าบ้าออกมาจากนันมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนเสียจิตผิดมนุษย์เป็นว่าหือ เป็นว่ามาแต่กำเนิดก็มีกําเนิดกําเนิดนี่ยที่นี่ส่วนการมีชีวิตชา้านั้นพูดยังยังอีกอันหนึ่งเป็นคนกระเทย อ, อีกอันหนึ่งอยู่ทั้งห้าร้อยชาติถ้าเป็นคนกระเทยก็เป็นเป็นเขาชาาติไหนแม่เป็นกระเทยก็เขาล่วงละเมิดที่นี่เขาล่างละเมิดผัวเมีย เพรทีล่วงแล้วเมื่อถวายกันอยู่ทุกวันเนี่ยรให้ร่องหอมกันอยู่อยู่นี่ถึงกับยิงกับฆ่ากันตายก็พระเวรเต่ชาติก่อนนั่นเองไม่ใช่เพิ่งมาเพิ่งมาทำกันเฮชนี้ผู้ที่ไม่ล่วงและเมื่อสียหน้าท่านจึงจัดเข้าเป็นพระโสดาบันผู้ไม่เสียนาอยาล่วงสัตว์ ไม่เสียดายอยากถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากถืออยู่ยงคงกับมันไม่เสียดายอยากจะถือเลือกดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโปรดไม่ถึงกับจองเวรคือพระสุทธบาทเรื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ถอยหลังเลย เชื่อผลทานผลศีลผลภาวนาเชื่อมรรคผลนิพพานแบบไม่ถอยหลังเชื่อวาชาติหน้ามีชาตินี้มีเชื่อก ร, รมและผลของกรรมได้สนิทไม่ได้สงสัยเลยจะภาวนาตลอดรุ่งตลอดคืนตลอดวันสักเพียงใดก็ตามจะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมเหมือนชมพูกะก็ตาม ถ้าเสียดายล่วงแล้วเมื่อชิ้นห้าถ้าเสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นถ้าเสียดายอยากจะล่วงอบายามุกถืออยู่ยงคงกระพันก็ไม่ใช่พระสวุวมนยังเป็นโลกีสามารถขบดตนคืนไปในทางชั่วได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้ว ไม่สามารถจะขบตัตนเองคือไปทางชั่วมีแต่เดินรุดหน้าไปทางเจริญเหมือนพระจัน์ในวันข้างขึ้นแต่ไม่กลับมาเรียมอีกเพราะเป็นโลกุตละแล้วทำไมเราจึงภาวนาเราภาวนานะั้นศีลความรักษากายวาจาเรียบร้อยแล่วา่าศีลความรักษาใจให้มั่นชื่อว่าสมาธิ ความรับรู้ในกองสังขารที่ว่าปัญญาสามอันนี่เรียกว่าไตรสีขาคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อรวมพนกันอยู่ที่จิตใจของเราสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แห่งเดียวพักอารมณ์เช่นวริกรรมกํากับอยู่วริกรรมแปลว่ากํากับอยู่ในอารมณ์อันเดียว เช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นหรือลมหายใจเข้าออกเป็นต้นแล้วให้จิตนิ่งอยู่เพราะอยากจะลองบังคับจิต ด, ดูดูมันจะอยู่ได้ไหมว่าอย่างนั้นเพราะจิต ด, ดูแลอยู่แล้วรู้จักรสชาติของมันแล้วเราก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาสกลลคายลงให้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เรียกว่าปัญญาอันนี้ส่วนสมาธิตั้งมั่นอยู่เฉ ย, เฉย เมื่อ่พิจนาปัญญาเมื่อลมหายใจเห็นลมหายใจเข้ามหายจะออกก็เห็นแต่สิ่งที่มากระทบเท่านั้นถึงจะมีนิมิตต่างๆมาเกอมาผานหรือมิตรแปลว่าเครื่องหมายเป็นอัปปะพัสสอนหรือเป็นแสงเดือนแสงดาวหรือสมมติว่าเราหิกวก็าตามก็ไม่สนใจเพราะจะไม่เคลื่อนจากกรรมฐานเดิมถ้าเราเคลื่อนจากกรรมฐานเดิมก็ค้า ย, า, ย, า, ยาวเชือกขาด แล้วก็ต้องดึงมาเรียกว่าทับแตกเมื่อทับแตะแล้วก็ดึงมาเพื่อลองความสามารถของตนกรรมาฐานที่เราตั้งไว้นั่นเองเราจะได้ยกขึ้นสู่อา น, นิจจังทุกขังอนัตตาจะมีปัญญารอบครอบอยู่ในที่นั้นแต่ให้อยู่นั้นเสียก่อนศีลก็คือศีลเคลื่อนไปหาเนี่ยเคลื่อนไปหาคือตัดศีลอยในกรรมาฐานที่ตั้งไว้ เพราะสีก็เคลื่อนไปแล้วนะพระเวลาเราภาวนาอยู่นั่นแล้วไม่ได้ไปฆ่าสัตว์รักษาพฤติผิดในกาลก็จะไปสงสัยว่าศีลเราอยู่ที่ไหนก็ศีลก็ลงไปอยู่ที่นั่นเองและนักที่บัติอธินากาเวมุสซาเวลามันก็อยู่ที่เป้าของเราตั้งไว้น่ะรวมกันรวมอยู่ด้วยกันแล้วสมาธิก็ตั้งไวนอยู่ที่นั่นปัญญาก็รับรู้อยู่ในที่นั่นเรียกว่าสีสมาธิปัญญายกพลไปด้วยกัน แต่ไปไหนเช่นเราเดินไปอย่างนี้ขาก็ไปหัวก็ไปกระดูกก็ไปแข้งก็ไปอืหนังก็ไปด้วยกันไม่ใช่ไปแต่เท่าอืมไปทั้งหมดชั้นใดก็ดีเมื่อเราภาวานาความกระลมให้ใจเข้าออกอยู่นั้นฉีดอยู่ที่ไหนก็มันก็รวมลงอยู่ที่อันเดียวกันไงกองกลืนทำเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่อย่างเดียวกันปัญญาผู้ม่มีปัญญาก็รักษาฉีดมาได้รักษาสมาธิมาได้ และปัญญาที่รักษาศีลและสมาธิให้ตั้งอยู่นั้นก็เรียกปัญญาในท่านหนึ่งอีกปัญญาที่เห็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตากรมกืนกันเห็นความเกิดความดับกรมกืนู่อยู่ในเป้าอันเดียบกันเช่นลมหายใจเข้านะมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีข้างล่างข้างข้างหลังแล้วก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ใช่ศักด์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่ศักว่ารมอันนี้เนียกว่าปัญญาของเราเห็นและศีลของเราก็อยู่ที่นี่และสมาธิของเราก็อยู่ที่นี่และไตรฮีขารของเราก็อยู่ที่นี่คือแปดมื่นีพระธรรมขันธ์ของเราก็อยู่ในที่นี่ไม่ได้อยู่ในที่อื่นอมารวมกันแล้วเราทำภาวนาทําไมภาวนาอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาทําไมอะไรมีกําลังกว่าเพื่อน ปัญญามีกำลังกว่าเพื่อนกำลังคำของปัญญาเป็นกองทัพธรรมชั้นที่หนึ่งเป็นกองพลชั้นที่หนึ่งควบคุมทั้งศีลและสมาธิให้อยู่ในอุ้งมือของตนอุ้งมือสติอุ้งมือปัญญาปัญญาเป็นกองพลชั้นที่หนึ่งของศีลและสมาธิ ศีลในเช่นใดก็ตามสมาธิในเช่นใดก็ตามปัญญาในเช่นใดก็ตามก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าควบคุมอยู่พร้อมทั้งสติทั้งปัญญาด้วยศีล ส, สมาธิปัญญากลมกลืนกันเป็นอันเดียวในปัจจุบันเลยเราก็จะไม่ได้สงสัยว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นเทศอย่างนั้นครูบาอาจารย์องค์นี้เทศอย่างนี้ เราจะไม่ได้สงสัยหาเพราะครูบาอาจารย์เห็นอยู่ซึ่งหน้าแล้วครูบาอาจารย์ลงให้ใจเขาออกก็ดีครูบาอาจารย์พุทโธกาดีถ้าเราพิจารณากายก็พิจารณาได้หลายอย่างเช่นพิจารณาผมขนและปันนังเนื้อเหล่านี้เป็นต้นถ้าผู้มีราคะมากให้พิจารณาของปฏิกูลในร่างกายถ้าผู้มีโทสะมากให้พิจารณาเมตตา เราได้ท่านผู้อื่นก็ชอบสุขจงบริกรรมให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขอยู่ถ้าผู้หลงหลงลืมลืมสติไม่มั่นคงให้กําหนดลมให้ใจเข้าออกกรรมฐานแต่และอย่างละอย่า ง, เ ป, ปางเป้นประโยชน์อยู่ก็จริงยาแต่ละอย่างละอย่างเป็นประโยชน์อยู่ก็จริงแต่ว่าเราวางยางไม่ถูกกับโรคมันก็ไม่หายเช่นเรา จับไข่ยอย่างนี้เว้นไข่ยอย่างนี้เราจะไปเอายากระเพาะมาฉันมันก็ไม่ถูกฉันใดก็ดีเมื่อเราลาขะจัดเนี่ยล้วจะไปเจริญกรรมฐานอันอื่นเราหาของปฏิกูลในสกุลากายนี่อะไรมันปฏิกูลมากก็เพื่อนก็แพ่งอั น, นั่นน่ะ ในสกุสักร wow. ่างกายของเราจะไม่เห ah ็นอันใดอันหนึ่งไม่มีเลยลมหายใจเข้าออกก็เห็นลมหายใจเข้าออกเ็เรียกว่ากายเหมือนกันเพราะเป็นเอกเทศของกายแล้วเราหายใจเข้าอากาศนี้แล้วหายใจออกอากาศมันก็เหม็นเพราะมันออกมาจากนี่ออกมาในจมูกอากาศก็เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนหายใจเข้า มันก็เป็นปฏิกูลอยู่แล้วเนี่ยสุกสิ่งทุงอย่างในสกนลร่างของเราเป็นปฏิกูลอยู่แล้วเนะก็เราภาวนาของที่มีอยู่ของไม่มีท่านก็ไม่ได้บอกเร า, ราภาวนาผู้ภาวนาพุโทโธผู้เป็นผู้ศรัทธาจดิตเลื่อมใสพระพุทธศาสนาใครพูดอะไรก็เลื่อมใสใครพูดอะไรก็เลื่อมใสยังไม่ทันพิจนาก็เชื่อมักจะเชื่อง่าย มันจะเคี่ยวคนง่ายพูนั่นผู้นั้นต้องภาวนาพุทโธธรรมูสังโฆอันใดอันหนึ่งเพราะเขาลงให้ใจเขาออกเหมือนกันพระไม่ได้ซื้อพระไม่ได้ขอขอกรรมฐานทันม า, า, นนมาพิจนารณาว่ายืมมาบ้างอยากเจ็บดอกเบี้ยเน้อยืมกรรมฐ า, านมาบ้างเราก็ไม่ได้ว่าเพราะเรามีอิสระมีอยู่ในตัวเรา หมดแล้วนะไม่ได้ยืมของใครไม่ได้มีใครมาเก็บดอกเบี้ยเนี่ยเรามีเวลาเหมือนกันแต่หาใจเขาออกเรายังมีเวลาทําไมเราจะไม่มีเวลาภาวนาแต่เราทําชั่วเรายังมีเวลาเราทําดีจะไม่มีเวลามันก็ไม่ถูกจิตใจเมื่อไม่นึกถึงอันหนึ่งมันก็นึกถึงอันหนึ่งให้มันนึกถึงในทางดีสัก่อเรียกว่าภาวนาเหมือนกัน ที่นี่ท่านทางห้ายจะป่ารบอะไรก็ป่ารบบ้างนะสงสัยอะไรก็คงไม่สงสัยนะอืมนะอืมอืม ปฏิบัติธรรมได้อะไรเราปฏิบัติธรรมได้อะไรก็คือได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองผู้ไม่ปฏิบัติธรรมได้อะไรก็ได้อันนั้นมาปฏิบัติธรรมนั่นเองผู้ขี้เกียจได้อะไรก็ได้ขี้เกียจนั่นเองผู้ขยันได้อะไรก็ได้ขยันนั่นเองผู้ทําดีได้อะไรก็ได้ดีนั่นเองผู้ทําชั่วได้อะไรก็ได้ชั่วนั่นเองมันบอกอยู่แล้วทํำไมยังจะไปสงสัยน แล้วยินดีในเกิดเราก็ยังได้เกิดอืถ้าเราไม่เกิดมันก็ต้องเป็นรางวัลแก่เก็บตายไปเหมือนกันเพราะพุทธศาสานายังมีอยู่อีกอโขเนี่ยสอนใ้เห็นภัยในวัฏสงสารด้วยนะสอนให้มาเกิดแก่เก็บตายด้วยสุทตายใครเท่าเคารพยันต์ที่กรรมฐาน แต่ในยางในยางอยู่ในแต่อำนาจอันนี้จังหมดจิตเท่ามันอยู่มันไม่ได้อยู่โดนได้อยู่เนี่ยมันเหมือนกำลังกระถอนออกมาคือกันอันนั้นอันนี้จังอันละเอียดเนี่ยจิตสั้นละเอียดถึงกว่านี้ก็ยังเป็นอันนี้จังเลยวะเห็นได้สั้นพระพุทธเจ้าจึงวายถือมันในอดีตอนาคตปัจจุบันธรรมะสั้นสูงยังไม่อีกอโขอันนี้ธรมะเบื้องต้นเห็นขุนในสั้นนี่สักก่อนเห็นสุดขุนในสั้นพมารดาสั้นรักษาชินหาเนี่ยสก่อน แต่สินหากับว่าได้มันก็นเห็นยังไงถ้ามืใส่ใหรือเป่าถ้ามือใส่สินหากับว่าได้ชิบะถ้ามาถ้ามันเห็นยังไงแต่จะของม ร, รักษาสินหาเร่นอบายยมุกปันเร่ยนมีอากันกระปนนั้นเราไปหาสินห้าสินสนะท้ามาสินนะถ้า ม, มันจะเห็นยังไมิได่สันผ่านมันจะเห็น คักว่าบ้ดเนี่เอาแล้วนอว่าดีเนาะไปเป็นสุขเนสุขกันเลยด้วยเนี่ยต่อผู้ด้วยเนี่ยต่อพุทธศาสนาะอันทรงพระคุณข้าไว้มีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ทับกับท่านผู้เชื่อได้ไม่เชื่อเมื่อเป็นนังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าเพราะทางใจโรคา ยองประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในบวรพุทธศาสนาของพระธรรมุทธเจ้าทุกๆด้านจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกมื่อทื่ปร่ลุมานี้แล้วเนี่ยถ้าเอามาร่วมวันนี้ละคุณได้ไปเกี่ยวเมียเขาพวกเขาสันผ่านนี่ว่านอ่บอกพระธรรมจ้าอาจารย์ชันี่สอคือพระประเจก อาจารย์ชั้นที่สามคือพระหันตาคีนาศกอาจารย์ชั้นที่สี่คือพระอนาคามีอาจารย์ชั้นที่ห้าคือพระสัตตะคาามีอาจารย์ชั้นที่หกคือพระสุดาบันเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทําผิดอาจารย์ทั้งหลายเหล่านีนา้นับแต่ระธรรมนับแต่พระสมมาถึงพระทีเจ้าลงมา จนถึงพระโสดาบันว่า ก, กายกรรมสามวัีกรรมสี่มันโหกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่ชาติก่อนก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นมหาอาจารย์ซึ่งเป็นโลกุตระอาจารย์จงทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณผลุดท่ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวารพุทธศาสนาของพสัมมาพระพุทธเจ้า ยิ่งๆขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกเลยชอบอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณนั่นเธอยะสาวาปังกตังกัมมังกุศลรนปรัญญาติโซมังโลกังปะพาเสจีระโมตัวันติมาอภิวาทนาเสียดิสานิจังมุทธาปชาเยนุยะตาโรตมะวันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระรางอาจารย์ชั้นที่หนึ่งในโลกุตระอาจารย์ อาจารย์ธรรมดาของเราซึ่งเป็นโลกี้อาจารย์ลุประชาจารย์กัมมาวาาจารย์อนุสาวนาจารย์นิสยาวาาจารย์ธรรมวาอาจารย์ผู้ให้สอนธทรรมอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาจารย์ตามธรรมดา อภิชายะทำไมเป็ น, นทําเรียนว่าการถ่อมสนแบบพืธแก่ท่านผู้ใหญ่คารวะชนิวาตูจะความเาคารพความสันโดษความเทียมตัวเอตมังคธรรมุตตมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่จัดเข้าในคารวะคารวะหกอย่างเคารพเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในความศึกษาหนึ่ง ในความไม่ประมาทหนึ่งชาวพุทธต้องทำคารวะอบการนี้ในปฏิสันฐานคือตอนรับปราศัยหนึ่งชาวพุทธต้องทำปฏิสันฐานหกอย่างนี้ผู้ใดนักในปฏิสันฐานผู้นั้นประพฤติใกล้พระเนปพานโดยแท่เลยปฏิสันฐานสองอาเมิกปฏิสันฐาน ปฏิสันฐานด้วยอาเมตคือให้ข้าวให้น้ำหรือให้ที่อยู่ที่พักตามจิตใจกำลังเท่าที่มีอยู่ในสังคมนั้นเส้นบอกดื่มน้ำเมื่อที่ยนี้เหมือนกันเรียกว่าอาเมตสะปฏิสันฐานปลารบธรรมที่ปรารบอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าธรรมะปฏิสันฐานปฏิสันฐานโดยธรรม วัตถสันขารทั้งสองนี่มีในพระพุทธศาสนาจะทิ้งไม่ได้ธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายทรงอยู่มีอยู่ด้วยธรรมลงมาเป็นสองอย่างโลกิยะธรรมโลกุตระธรรมโลคิยธรรมแบ่งออกเป็นสี่โลกุตระธรรมแบ่งออกเป็นสี่ แบ่งออกเป็นประเภทพระสวสดาบันเป็นประเภทสักคาคามีเป็นประเภทพระอนาคามีเป็นประเภทพระอรหันต์แบ่งออกไปอีกเป็นประเภทของพระพัทเจิกเป็นประเภทของพระสมาทพพทเจ้าพระสมาทัพพทเจ้าเป็นธรรมะชั้นที่หนึ่งพระปุทเจดีเป็นชั้นที่สองอรหันตตาขีนาศเป็นชั้นที่สามอรหันตตาขีนาศ นับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยอนาคามีอีกเว็นชั้นอีกเว็นชั้นลงมาเป็นลําดับอีกนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยชักาคามีนับทั้งเพศหญิงและเพศชายด้วยพระสวสดาบันก็นับทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยตามภูมิของสาวกขราวิกา สาวกสาวิกาจัดว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเรียกว่าพระอรหันต์พระอนิจจบุคคลสี่จำพวกนับเปียงองค์เป็นแปดหนึ่งโสดาปฏิมักสองโสดาปฏิผลเป็นคู่ที่หนึ่ง 3. สามสกทาใครมัก สี่สัคทาขามิผลเป็นคู่ที่สองหนึ่งโซดาปฏิมักโซดาปติผลเป็นคู่ที่หนึ่งสัคทาขามักสักคธาขามิผลเป็นคู่ที่สองอนาคามิมักอนาคามิผลเป็นคู่ที่สามอนัตกามักอนัชถผลเป็นคู่ที่สี่ที่เรียกว่าจัตตาริคู่มีคู่สี่คู่อัฐฏฐปริสาภุคลานี้ เรียงตัวเป็นบุคคลเป็นแปดอัฐะแปลว่าแปดอัฐธะธุริสาพุคารานี่เรียงตัวบุคคลเป็นแปดคือหนึ่งโสดาปฏิผลหนึ่งโซดาปฏิมรักสองโซดาปฏิผลสามสักขาขายมรักสี่สักทาขาผลห้าอนาคายมรักหกอนาคานิผลเกตอนาหัตตะมรักแปดอนาหัตตะผลแต่ถ้บุคคลนุก ค, คลก็มีตั้งล้านล้านนะ นอสาวะคะวะโตเาวา้วส า, าสร้างโคลนี่เนอรสาวกของพระภูมิยาเจ้าอาหุนเโยภาหุานเโยทักกนเอโยอัญชรีกรณียโยอนุตตะนางคุณยเกษตังโรกัสสาติเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าที่พระนั่งสี่จอมพวกยังมีอีกพุทธะสี่จอมพวกยังมีอีกสัมมารสรรมุทธะจอมพวกหนึ่ง ปัจเจกาพุทธจมพวกหนึ่งอนันตตาฉีนาศพจมพวกหนึ่งพุท ธ, ธะเรียกว่าสาวะโกพุทโธหรือสาวิกาพุท ธ, ธาฉนั้ธธนมาพระพุทธะจำพวกหนึง่งประเจกพุทธะจมพวกหนึง่งสาวพุทธะจมพวกหนึง่งสาวิกาพุทธะจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระหันถรงจำพวก สาวิกาพุทธนั้นจะนับเป็นภูมิของสาวิกา่า น, นั้นจะนับเป็นพระประเจกหรือพระสมาพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้พระเป็นภูมิของสาวกฉ่นแม่แม่กวนอิมอย่างนี้จะนับเป็นพุทธภูมิก็ยังไม่ได้พระท่านยังไม่ได้เป็นเพศชายเป็นเพียงผู้เลื่อมใสในพุทธในพระพุทธเท่านั้น จะนับเป็นวงของพุทธภูมิยังไม่ได้เต็มที่เพราะยังเป็นเพศหญิงอยู่แต่คนทั้งหลายส่งเสริมเกินกำหนดไปเฉยๆภูมิหลักธรรมชาติแล้วจะจัดเข้าในภูมิของพุทธภูมิยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงความดำลิเฉยๆ พระยังไม่ได้เป็นเพศชายต้องมาเปลี่ยนเป็นเพศชายเสียก่อนจึงจะตั้งต้นนับได้นับเต็มภูมิของมนุษย์แต่ว่าถ้าจะนับรว ม, รวมชาติเป็นนกก็นับได้เหมือนกันเพราะปรารธนาพุทธภูมิเช่นนกคุ้มเป็นต้นปรารธนาพระสมัยพระพุทธเจ้าแม่มารดาของเธอของท่านไปหาอาหาร าตาปิตาจะนิขันตาไิไ่ตาของข้าพเจ้าไปหาอาหารดูก่อนปเปลวไฟท่านจ้งหลีกไ ป, ปเปลวไฟทั้งหลายลมก็พัดไปทางอื่นสันติพระคาอภัตตาปีของข้าพเจ้าก็มีอยู่สันติปาทาอาวันธนาเท้าของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่บินไม่ได้ มาตาพิตาแนิดขันตามาลาของข้าพเจ้าไปหาอาหารดูกนเปลวไฟลมทั้งหลายจงพัดไปทางอื่นซะพออธิษฐานอย่างนั้นลมทั้งหลายก็พัดไปทางอื่นไม่มาไม่นกคุ้มเรียกว่าคาถานกคุ้มนี่เรียกว่าสัจจะบาลมีของเราพระบรมศาสล า, าเป็นนกคุ้มราลานาพุทธภูมิ อันนี้แม่คนอินท่านปาตุยิงก็ถ้าจะจัดเข้าในการฟังได้ก็พอฟังได้ว่าแต่ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านร้องไกวซัะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราทีนี้เราเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรเราเคารบอันอื่นไม่ได้รหรือ อันอื่นก็จริงเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดแล้วเขารพพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเขารพทางปวงด้วยคุณมีดามันดาปุยตาทวดคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็ดีพระพุทธธรรมประสงค์ในโลกีก็เป็นเมืองขึ้นของพวกคุณของพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานทั้งนั้นคุณปุยตาทวดคุณท่านพวกนี้คุณ คุณพระมหากษักรตริย์คุณนักธมนูนคุณท่านบุคคลผู้มีคุณก็เป็นเมืองขึ้นของคุณของพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานพระคุณทั้งพวงเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดพระคุณทั้งพวงเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดพระพุทธศาสนาสูงกว่าเพื่อนเหมือนทิศเหนือเข็มทิศต้องเป็นเมืองขึ้นทิศเหนือหมด จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเขาไม่เป็นปัญหาคุณของมุทธศาสนาเป็นอโลคุตระคุณไม่ใช่โลกีคุณพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจของผู้เคารพนับถือนั่นเองผู้ไม่เคารพนับถือก็มาอยู่ในที่นั้นก็อยู่ในที่อื่นเพราะไม่มีในส่วนตัวของใครของมัน เรียกว่าพระพุทธศ า, ส, าสนาธ ร, รรมศาสตราสนาทังงศาสนาสา่ว น, นตัวก็ต้องมีอยู่ในหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนถ้าผู้ใดเคารพนับถือถ้าไม่ผู้ใดไม่เคารพนับถือทำทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นของกลางอยู่ท ำ, ท ำ, ทำตามธรรมชาติเหมือนน้องน้ำถ้ามือเหมือนร่มไม้ใหญ่ใหญ่โตโตสูงสูงหรือเหมือ น, นโตโต อ, หอนน years, าหารถ้าไม่มีใครไปกินถ้าอาหารก็เป็นของกลางอยู่อย่างนั้นหรือน้องน้าก็เป็นของกลางอยู่อย่างนั้น หน้ำมันเป็นของกลางอยู่อย่างนั้นออใครไม่ทําใครไม่กินใครก็ไม่อิม่มใครไม่ดื่มใครก็ไม่อิม่มเหมือนอาหารเหมือนกันโลกุตละธรรมเราประพฤติยังไงจึงเป็นโลกุตละธรรมนับแต่พระสาวันเป็นต้นไปเรียกว่าโลกุตละธรรมเรียกว่าโลกุตละใจเรียกว่าโลกุตละเจตนาเรียกว่าโลกุตละปฏิบัติ เรียกว่าโลกตระยัดปริยัติก็ยัดเข้าในที่ใจปฏิบัติก็บรรปฏิบัติเข้าในที่ใจปฏิเวทผลของการปฏิบัติก็คือใจเป็นผู้รู้กรรมและผลของกรรมคือก็คือมนุกรรมเป็นผู้ปฏิบัติผลของกรรมก็คือใจเป็นผู้รู้จักรับผลปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัดตัวยัดเข้าที่ใจปฏิบัติก็บรรทัดเข้าที่ใจปฏิเวทก็คือผล ของการปฏิบัติรู้จักที่ใจพูดถึงพระโสดาบันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอรบาลยมุขไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดถือศาสนาอื่นๆหรือรัฐที่อื่นๆเหนือกว่ารัฐที่พระพุทธศาสนาถือว่าดีอยู่แต่ไม่เหนือพระพุทธศาสนา ศารถนาแต่ในอย่างในอย่างถือว่าดีอยู่แต่ไม่เหนือพระพุทธศาสนาไปเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเรียกว่าภูมิของพระโสดาบันเรื่องเรื่องต้นเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วไปรผลในแตกสลายโดยใจความก็คือเห็นอนิจจังเราดีๆนี่เองนั่นก็เรียกว่าภูมิของพระโสดาบัน เห็สิ่งที่ไม่เที่ยงเฉยเฉยแต่เสียดายอยากล่วงละเมิดเจียนห่าอยู่มันก็ไม่ใช่อีกละสิ่งไหนที่มาเสียดายอย่างร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็เป็นของเบานักเพราะไม่ได้ระวังยากเหมือนน้าลายที่บ้วนทิ้งแล้วไม่ได้ระวังยากจะเอามาใส่ป่าอีกเหมือนลุมทานเพลิงที่เราเห็นอยู่ไม่เสียดายอยากลงไปวี เมื่อเสียดายอยากไม่เสียดายอยากลงไปลุยแล้วการปฏิบัติก็ไม่หนักใจทำไมจึงไม่เสียดายอยากลงไปลุยเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มีแต่เวนสนองเวนไยสนองไยรวนรวนเหตุฉะนั้นจึงยอมปลดอาวุธปราณธิบาตกาอธินากาเมมุสาสุราไปสะสเห็นว่าเป็นโทษรนุรนรุน ปรดอาวุธในการคองขี้เว้นอบายมุกซะเพราะอบายมุกมีแต่ทางชิบหายรวนๆไม่มีสารอุทธรเลยคือดวงตาเห็นธรรมปัญญาอันนี้ดิ่งลงไปแล้วเห็นชัดในเบื้องต้นแล้วเรียกว่าไม่หนักใจเลยสิ่งนที่ไม่เป็นประโยชน์ลงเห็นชัดแจ้งในจิตใจแล้วสิ่งนั้นปฏิบัติไม่ยาก ไม่ลาบากจงระวังตัวอย่าไปล่วงละเมิดเนอ้อไม่ได้ระวังยามันรู้จักเองในสัญชาตญาณของดวงจิตเช่นไฟอย่างนี้ระวังเนอ้ออย่าไปเหยียบเนอ้อแดงรูอยู่นั่นมันก็ไม่เสียดายอย่าไปเหยียบเล่นเล่นแต่มันไม่รู้จักเมื่อมันรู้จักแล้วมันก็ไม่เสียดายเมื่อมันไม่เสียดายมันก็ไม่หลับใจ ก็ปฏิบัติลาบากก็ปฏิบัติสะดวงถ้าเห็นว่าศีลห้าเป็นยักษ์เป็นมารจะอดตายถ้าไม่ร่วงแล้ ว, วหมดศีหน้าอันนั้นไม่ใช่พระสูดาบันเป็นมิจฉาทิฐิยังเห็นผิดอยู่เมื่อทําบุญไปก็ได้รับบุญบ้างเมื่อเวลาจะตายแลลึกถึงตนที่ทําบุญก็ได้ไปสวรรค์บ้างถ้าไม่ไดลึกถึงก็ไปนรก เมื่อหมดอ น, นิสงค์นรกแล้วจึงมาหากุศลผลบุญของที่ตนรักษามันไม่เหมือนพระสวสดาบันพระสวสดาบันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นระลึกได้ระลึกได้ก็ดีสิ้นลมปานในเวลาไหนก็ไปสู่สุขติทั้งนั้นไม่มนุษย์ก็สวรรค์ถ้ามนุษย์ก็เป็นพรนุษย์ชั้นสูงอีกทีด้วย ถ้าสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงและมีอายุยืนเสียน้อยเพราะเป็นโลกุตระสวรรค์ไม่ใช่โลกีสวรรค์เมื่อถึงพระโสดาบันแล้วต่อแต่นั้นก็จะถึงสักทาคามีต่อแต่นั้นก็จะถึงอนาคามีต่อแต่นั้นก็จะถึงพระหันเป็นลําดับไปไม่ถอยหลังเลยไม่สงสัยในทางเดินของเจ้าตัวเลยคือความประพฤติ ไม่สงสัยความประพฤติเยาวาไม่สงสัยความทางเดินไม่ถอยหลังอีกเสียด้วยจะภาวนาตลอดรุง่งตลอดค่ำก็ตามจะบวชร้อยพันสามหมื่นพรรษาก็ตามถ้าสงสัยอยากร่วงอบายมุกอยู่ถ้าสงสัยอยากจะร่วงศินห้าอยู่สงสัยอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นต้นก็ไม่ใช่พระโสดาบัน เป็นโลกีศา ส, สนายังเอาเป็นแน่นอนไม่ได้ยังจะเอาเป็นเครื่องอบอุ่นไม่ได้ด้วยข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากพุทโธของพระโสดาบัน เป็นพุทโธที่ลึกลับไม่ใช่พุทโธเลีพุทโธภาพุทโธบัดพุทโธเบือนะโมก็เหมือนกันนะโมแปลว่านอบนอมเพื่อปฏิบัติเพื่อพระเนรพลพุทโธแปลว่าจะตื่นจากกลับจะยินดีปฏิบัติเพื่อพระเนรพลทำโมก็ทรงไว้ซึ่งปฏิบัติเพื่อพระเนรพลสังโฆทำสังโฆก็ปฏิบัติเพื่อพระเนรพนพุทโปกรงพุทโธธทำโมสังโฆก็ไม่แย่งกันเป็นเชือกสามกลียว อยู่ที่ดวงใจของท่านผู้นั้นที่นี่คุณหมอก็มาก็มาให้หลวงปู่พูดว่าเพราะหลวงปู่เป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งโรคไข่เลื่อนสองโรคภูมิแพ้สามโรคท่องผู 4. โรค ก, กระเพาะห้าโรคหัวใจหกโรคถุงน้ำดีเป็นนิ้วเจ็ดโรคสร้างผูกแปดโรคชรานี่แปดโรคเห็นไผยในวัฏสงสาร เรียกว่าเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียกว่าบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารอย่างเต็มที่การภาวนาก็ไม่ยากพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกำลมหายใจเข้าออกเลยถ้าใดๆในโลกร้วนเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสมอหน้าครองแล้วความสงสัยในโลกทั้งปวงก็ไม่มีเท่ากับว่า ขณะคิดเดียวเห็นโลกรอบแล้วเห็นสังขารรอบแล้วเหมือนกันก็เบื่อน่ายความหลงคุดท้องตนที่เคยหลงว่าว่าเป็นสุขกันเองเบื่อน่ายความหลงของตนที่เคยหลงมาว่าเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของสวยของงามเองพราะเห็นตามเป็นจริงความเห็นตามเป็นจริงลบล้างความเห็นผิด เป็นสัมมาญาณนะเห็นตามเป็นจริงไม่เป็นมิจฉาญาณนะความเห็นตามเป็นจริงมันเป็นตัวปัญญาเป็นสัมมาวิมุตติรุดพ้นจากความหลงไม่ใช่มิจฉาวิมุตติมิจฉาวิมุตติรุดเป็นพ้นผิดมิจฉาสติก็ระลึกผิดมิจฉาสมาธิก็ตั้งจิตผิดมิจฉาญาณะก็รู้ผิดมิจฉาสติ คือตั้งสติไว้ในเลขในผาในบัตรในเบอร์มิจฉาสมาธิก็คือทําสมาธิเพื่อเรียกผาบัตรเบอร์มิจฉาวายา ก, ก็คือชักชวนกันไปในทางที่ผิดเช่นชักชวนดื่มสุดาอะไรและอบายมุขทั้งพวงเป็นต้นเรียกว่ามิจฉาวายามิจฉาสติถ้าก็ระลึกไปในทางนั้นมิจฉาสมาธิก็ตั้งมั่นไปในทางนั้นมิจ ชาว า, ามะก็พยายามไปทางพยายามไปทางผิดนั่นมิสมมไม่ใช่สมาสธิมิตรชาทิฏฐิพราะเห็นผิดเห็นผิดจากทำนองกลองทมเรียกมิตรชาทิฏฐิปฏิบัติพระพุทธศาสนาปฏิบัติให้ใคร ก็คือปฏิบัติให้ใจนั่นเองนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทำประโยชน์ให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทำโทษให้ใจได้นอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะสิ้นความสงสัยในใจสิ้นความสงสัยในใจตอนไหนก็สิ้นความสงสัยในธรรมตอนนั้นๆสงสัยใจตอนไหนก็สงสัยธรรมตอนนั้น พระใจกับธรรมเป็นคู่กันใจเป็นโลกหรือเป็นธรรมแล่าถ้าใจไปในทางโลกใจก็เป็นโลกหมดถ้าใจปฏิบัติธรรมใจก็ไปในทางธรรมธรรมในที่นี่หมายถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมด้วยแต่โดยมากคําว่าธรรมธรรมคำว่าขอความเป็นธรรมบ้างก็คือขอความเป็นธรรมในทางกุศลนั่นเอง ขอความเป็นธรรมจะขอจากใครก็ขอจากใจนั่นเองถ้าใจเป็นธรรมสิ่งไหนก็เป็นธรรมหมดถ้าใจเป็นกุศลธรรมถ้าใจเป็นอกุศลธรรมอันไหนไหลเข้ามาก็เป็นอกุศลธรรมหมดธรรมารมที่ไหลเข้ามาก็เป็นอกุศลธรรมถ้าใจเป็นกุศลธรรมธรรมารมที่ไหลเข้ามาก็เป็นกุศลธรรมดังนั้นเหมือนน้ำทะเลน้ำอะไรไหลลงไปก็เป็นน้ำเค็มหมด ที่นี่ท่านผูใ้ใดสงสัยอะไรขอปารลบมาสัก อ, อพระพร ะ, พระเจกพระพระเจกท่านสร้างบารมีมาสองอสงไขยกับแสนกับพระเทวทัตท่านสร้างพระพระเจกเนอะ เหตุฉะนั้นจึงเป็นคู่ต่อรอดต่อเถียงกับพระองค์ท่านพ้นจากมหาวีจีนารกแล้วท่านก็จะมาสร้างพระพุทเจก ต, ต่อเดี๋ยวนี้ท่านสร้างพระพุทเจกได้สองอสังขัยแล้วยังไปตกนรกอยู่ยังอยู่แสนมหากรรธจึงจะได้เป็นพระพุทเจกพระพุทเจกท่านเป็นพระสมยัยทศพุทธเจ้า ท่านเป็นพระพระเจ้ากกพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สั่งสอนท่านผู้ใดผิดกันแต่ไม่สั่งสอนท่านผู้ใดเท่านั้นแล้วสร้างบารมีอ่อนกว่าพระสมานพุทธเจ้าพระสมานพุทธเจ้าช่านปัญญาทีกะก็สร้างว่ามีสี่อสงไขยแสนมหากับท่านศรัทธาทิกะก็สร้างบารมีแปดอสงไขยกับแสนมหากับ ท่านวิทยาที่กะคือสร้างความเพียรก็สร้างบาจะมีสิบหกอสงไขยกับแสนมหากับแต่คําสอนเป็นอันคําสอนอันเดียวกันพระสมณพระพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาที่กะสร้างบฏิมีสีอสงไขยกับแสนมหากับนี่หมายความว่าออกปากแล้วเนี่ยสิ่งที่ยังไม่ออกปากยังมีอีกแลโขนึกแต่ในใจนะันเป็นปัญญาที่กะทัศนู้ได้เร็ว และมีอายุไขเพียงรอยปีเท่านั้นเป็นเกณฑ์แต่พระบรมศาสตราของเราแปดสิบปีผู้มากกว่ารอยปีก็มี1้อยี่สิบปีก็มีนางวิสาขาร้อยี่สิบปีพระอานุนก็ร้อยี่สิบปีพระสักกามีร6อยหกสิบปีพระโมคคัลลาสารีบุตรพระนิพพานก่อนพระบรมศาสตราพระราหุนก็ไปก่อนนางพิมพาก็ไปก่อน ไม่ผ่านก่อนพระเจกพิดแต่ว่าไม่สั่งสอนท่านผู้ใดเมื่อไปใส่บาตรให้ท่านแล้วท่านก็ว่าโอา้โหทุกขังโอ้โหทุกังงล้วกลับไปเลย้าไม่เทศอะไรถึงอย่างนั้นก็ยังจัดเป็นชั้นที่สองของพระบรมศาราอยู่ ทานนบุตรโมกคักนราภูิสาวกจักเป็นท่านที่สามเข้าใจไหมที่นี่เข้าใจแล้วนะที่นี่<อ>นี่นี่สสำคัญ เมื่อเราจะทําบาปเราก็ไม่ได้ไปขออนุญาตกับพระเนะเมื่อเราก็ไม่ได้สมาทานข้าไปแก้จะทําบาปก่อนก็ไม่ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับสําหรับศีลจะเป็นตัวศีลก็เพราะอยู่กับดูการเว้นปาราทิปาตาเป็นข้อห้ามเว้ยละมณีเว้นแล้วชิกขาประทังสมาธิามเป็นชิกขาบทหนึ่งหนึ่งมารวมอยู่ที่ใจ ทั้งห้าชิคาบทมารวมอยู่ที่ใจ room, ก็เป็นเชือกห้าเกลียวรวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวปาณอธิบาทิอจินาคาเมวุสาสุราไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจถ้าไม่ร่วงละเมิดสินแปดก็เป็นเชือ 8, กแปดเกลียวอยู่ที่ดวงใจถ้าไม่ร่วงละเมิดสินสิบก็เป็นเชือกสิบเกลียวอยู่ที่ดวงใจถ้าไม่ร่วงละเมิดศินสองรอยี่สิบเจ็ดก็เป็นสองรอยี่สิบเจ็ดอยู่ที่เกลียว แปดหมื่นชีพระธรรมขันธ์ก็เป็นแปดมืนชีพันพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใจของเราเป็นเกลียวเดียวกันในปัจจุบันเล้เวลามันเว้นแล้วถ้าเว้นแล้วมันขึ้นอยู่กับการเว้นเดี๋ยวนี้เรามีศีลห้าไหมเราก็มีอยู่เพราะเรามาในล่วงละเมิดนึกเฉยๆไม่จัดว่าเป็นรวงละเมิดพระศีล เป็นของที่มีเกตนาศิลนหากก้าก็มีองค์มีองค์ห้าที่ร่วงละเมิดสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ก็รู้ว่าสัตว์มีชีวิตอยู่พยายามจะฆ่าสัตว์ก็รู้ว่าพยายามจะฆ่าสัตว์ัตตายสมประสง เป็นองค์ห้าแล้วก็ขาดเสียงขาดถ้าเราไม่มีเจตนาอย่างนี้ก็สินด่างสินพร้อยเฉยแต่ไม่ถึงกับขาดพระสัสดาบันไม่เชื่อใจอยากล่วงละเมิดสินห้าเมื่อไม่เชื่อใจอยากล่วงละเมิดสินห้าก็เรียกว่าอธิษฐานเสีินห้าอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่าสีลรักษาท่านท่านมาด้รักษาสินทีนี้ เพราะท่านไม่เสียดายอย่าง่วงระเมิดศีลก็เลยรักษาทีนี้เสียดายอย่างร่วงระมิดก็เรียกว่ารักษาศีลอยู่งั้นเสียดายอย่าง่วงระเมิดก็เรียกว่าศีลรักษา